ปูประมาณนิวรนห้าเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสาเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกาไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภัญยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่เยื่อมาลงทุนหมดแล้วกาไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภัญญาเพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุ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 เขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจาต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจาโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจาเวลานี้พ้นโทษออกจากเรือนจาโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจาเป็นเหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนที่ตกเป็น ach, ทาส<ท>พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแกตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้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 เขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดาลหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้ข้ามพ้นทางกันดาลถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดีภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมหาบพิษภิกษุพิจารณาเห็นนิวร์หที่ตนยังละไม่ได้เหมือนนี้ โรคเรือนจำความเป็นธาตุและทางไกลกันดาลมหาปพิธภิกษุพิจารณาเห็นนิวร์ที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวร์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติ เมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นปฐมฌมานภ <R> ิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว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 ซึ่งดีกว่าและประณีกว่าพ้นแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อนทุติยชาญยังมีอีกมหาบภิตย์เพราะวิตกวิจารณ์สงบระ ง, งับไป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 ไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกและด้านเหนือฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วทำห่วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องชั้นใดภิกษุทากายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิ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 ตติยฌานยังมีอีกมหาปพิพิตเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกทราบร่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุกอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวอุบลกอบัวหลวงปทุมหรือกอบัวขาวบุญทริกดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ใต้น้ํามีน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเ อ, อิบอาบซาบซึมด้วยน้ําเย็น ตั้งแต่ยอดถึงเง่าไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเออบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จะเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประนีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน จตุทฌานยังมีอีกมหาบาพิษเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนคนนั่งใช่ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะ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 เกิดจก บ, บิดามารดาเจริญไวเพราะเข้าสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพรทูลอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วน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 ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศ จ, จากความเศร้าหมองอ่อนเหมะาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูต ร, รูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญไวเพราะเข้าสุขและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟน มีอันแตกกระจั ก, กระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ฉันนั้นข้อนี้จะเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและปราณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อน สมโนมนยิทิยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอ ย, อย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อเนรมิต ก, กายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิต ก, กายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง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 เขาเห็นว่านี่คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะกัการใช้งานตั้งมั่นไม่วนว้อย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้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 ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเห ม, มาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อที่พระโสดาบยานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลมีประสบการณ์มากได้ยินเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบรนโดเสียงเปิงมางก็เข้าใจว่า นั่นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอกเสียงเปิงมงังชั้นใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อที่ประสงธาตุยานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้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 หรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพน้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพน้นเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัว<นา valle>เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้าใสหน้ามีไฟฟ้าก็รู้ว่ามีไฟฟ้า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 สิชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัรเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัรเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกรรมและวิวัตกรรมเป็นอันมากบ้างว่าในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์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 ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้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 ซึ่งดีกว่าและประนีดกว่าพ้นเห็น่ความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์พ่อก่อนก่อน 8. อาสวะขยายานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแกการใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญ า, านรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธคาม่นีปฏิปทา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 ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขย้ายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามนีปฏิปทา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 ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆมหะบพิษไม่มีผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์อย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าหรือปราณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์นี้เลย พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเจหิบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้หม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจาหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความผิดได้ครอบงำหม่อมฉันผู้โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งได้โปร่งภชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันตามความเป็นจริงเถิดเพื่อจะได้สำรวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจเจริญพรมหาบพิษ ความผิ ด, ด้วยครอบงำพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งได้โปรงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่แต่พระองค์ทรงเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นอาตมาภาพขอรับทราบความผิดนั้นของพระองค์ก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสารวมต่อไป วิธีนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรเดือกกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นบัตรนี้ม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระองค์จงทรงกาหนดเวลาที่สมควรหน้าบัตรนี้เถิดมหาบพิ พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เสด็จลุกจากที่ประทับทรงกราบพระผู้มีพระภาคทรงกระทําประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้นเมื่อเท้าเธอเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาองค์นี้ถูกกระจัดเสีแล้วถูกทําลายเสียแล้ว หากเท้าเธอจกไม่ปรงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมรรมาจากสุอันไรทุลีคือกิเลสปราศจากมนทินจะเกิดขึ้นแก่เท้าเธอณที่ประทับนี้ทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาสิทนี้จบลงภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพุทธภาสิทธนั้นแหลสามัญญผลสูตรที่สองจบ 3. อัมพัทสูตรว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัทกะขาพระเจ้าได้สดบมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกสนพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพรามชาวโกสนชื่ออิจฉานังคละคามประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคละคาม เรื่องพราหมณ์โปคลาสาติสมัยนั้นพราม์โปคลาสาติปกครองเมืองอุกัตทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าเปเสนที่โกสนพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยส่วนพิเศษพราหมณ์โปคลาสาติได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นศักยะบุตร